นระหว่างที่อง์สมเดจพระพระภวภาพก็มีชีวิตยอยู่นานนะพวกไดรัถีนะพวก ส, สะวทสิสุขัดมานะั่นมาททนพระองค์นะบอกว่าดรสะวทะสะวะิสุขัดมาอาชาไนา พรนมอ ง, อองว่าคําที่ว่าพ อ, องหน้าค่าค่าคนค่าคนนั่นนะหมายความยมียไงเงี้ยคือหน้าคนไม่สือ่อแล้วทีนี้พองถามพวกฝึกหัดมาว่าการฝึกหัดมากของเธอหน้าฝึกหัดได้วิธีไหนเงี้ย โคดีธรรมาลมาน่าโทษมองว่าม้าไม่ใส่เนตม้าที่ฝึกหัดง่ายให้กินอิ่มนี่นั้นฝึกหัดง่้ยค่อยๆยังดื้อหน่อยนั้นอย่างกลางให้กินบ้างให้กินบ้างแต่มา้าหน้ายังตามที่สดน้าให้กินเลยทีเดียวนั่นม้า พระองค์ได้สาบ พ, พระไทยคนที่ฝึกหัดมาฉินนันพระงค์ก็จะถาคดกับรุ่นเดียวกันนั่นแหละที่ถรนไม้มาได้ตรงขานะหมายความยังไงงั้นคือหมายความว่าอุมาสกอุบาสิกาพระนันโองหนายไนดะ้ฝึกหัดง่ายให้กินอิ่มแน่น เพราะในสายวาฒนาเขาไม่ได้ชาติก่อนก็ทาความเพียรสะดวกนั้นโรการหนึ่งแล้วอีบการหนึ่งมาอย่างกลางให้กินบ้างไม่กินบ้างเนี่ยทีเดียวฮะให้กินบ้างไม่กินบ้างแล้วอีบการหนึ่งท่าทาคกค่าเสียนะั่นแหละคือหมายความว่าดอกบัวไหนนะั่นมันไม่ขึ้นขึ้นน้ำนะั่น อยู่เปลือกต้มเป็นอาหารเขาตาของปลาตถาคตองคาเสียไม่ทรมานนะเหมือนกับพระเทวทัตนะพระงทรมานไม่ได้เนี่นี่เทียวนี่แหละการกินสำคัญมากคือสดยกตัวอย่างเม่อของนดอกเต์ชาวคุนหญิงไข่สีน ะ, นะไปหาท่านอาจารย์ มหมาบัวที่บ้านตาัดท่านนาะแกงใจท่านไม่ถามท่านไม่ไม่บอกให้ละนะให้ให้ละถามครั้งเดิคนหญิงได้กินข้าวไหมกินเพลนเหือนกินเช้าด้วยกินเพลนด้วยนะนะนะแล้วกนะ็มาถามเอกก็กิกนเพลนเนี้ยนะต่อมานะ กินข้าวคนเดียวนะแม้ท่านอาจารย์พระวัวดีใจมากที่สุดนะกายเบาวาจาก็เบาฟังเทศก็เข้าใจง่ายทรมานเกศก็เข้าเข้าเข้ า, ขาถึงเนื้อถึงหนังนะทรมานจิตง่ายเงนินนี่ทีเดียวนะอืมระหว่างพองไม่ชีวิตอยู่นั้นน่ะอ ม, มาน่ะทรมานมาถามพระองค์ข่าเสียหมายความยังไงนะ คือหมายความว่ามามือสีเนะร็วน่ะคล้ายๆก็ดอกบัวนะขึ้นบนน้ำถูกแสงบมเทสแยมบานนั่นสำเร็จเร็วนะแล้วก็ต่อไปนะดอกบัวได้ขึ้นนะนะที่วันทีหลังนะ่นะนะ่ส่งมาถอยๆกันนะนั่นแะล้วนะนะดอกบัวดอกไหนนะไม่ขึ้นนะเป็นอาหารของเต่าของปลานี่เป็นไน การอาหารนี่สำคัญมากที่สดอาหารนะนั่นมาบวนะทรมานตนสองคืนนะสองวันไม่สัญญาหันที่บันผือนายนายศึกษาท่านแกนมันเสียก่อนว่าผมจะอดข้าวได้ไหมของนั้นะแล้วแต่กำลังของท่านมาหานะเนี่ยพระหาอดตัวสองวันเกือบตายทล้วสั่นเล้วนะนะ ว่าอาตมาเนี่ยไม่เคยอดนะอดวันเดินมาดูแผ่นดินตะเหลืองหมดเที่ยวน ะ, นะจะเป็นลมตายเงี้ยนะนั่นอาตมาไปหน้าเวียงจันเวียงจันในครั้งนั้นย <c oughs> ิบปูนมันมผ่านเวียงจันอาตมาถามแม่ทับเวียงจันย <c oughs> ิบปูนมันผ่านมาเวียงจันนะท่านไปอยู่ที่ไหนถ้ามีชีวิตอยู่ ผมม็อยู่ที่นี่ละตอนทานญี่ปุ่นอยู่เงี้ยลูกศิษย์เพื่อนี่ปุ่นน่ะข้าหัวคํามหางวิววิวเนี่ยนะผมไม่มีอะไรนอกจากพุทโธไปแล้วเงี้ผมยังมีชีวิตอยู่นะนั่นผมเห็นความขลังของของของของขลังคือพุทโธเนี่ยมากมายมีชีวิตอยู่ได้เนีน่ยนทีเดียวเนี่ยยาฮเหอะเหเรื่อ ง, งลุเหรียญมากนักนะยิ่งกว่าพระพทุทธธรรมประสงน ะ, นะ พระพทธอระทานมาสงเดระคือหมายความว่าในระหว่างที่องสมเด็จยังสมเด็จพระพเมียภากด์จะม่ชีวิตยอยู่นั<ม>้นพราอให้อวาบกับอุบาสิกาพระภิสุสามาเดน<ม>ใช้ความว่าความสยองกลัวมาถึงแล้วข<ม>นพองสยองกล้ามาถึงแล้วเพิ่งระลึกถึงทศฐานคนกลัวหายเนี่ย นี่เป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่แยมออกมาจากนาพระไทยของพระเจ้าดิกรองเป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่งนะพุทธังพุทธังนี่สำคัญองค์เด็กมะพระเมอภาคทำไมกลัวตายเมานาพระไทยถึงอมตะธรรมที่นะนี่นี่แหละเราสนใจนะเรื่องพุทธองมากที่สดุดนะ อง์สมเดชพระพเมลาภาพอง์กราดว่าพบทางเสนั ง, นงกัจฉา ม, มิแนะ่มากใครถึงจถาคุนะปิธิบายคมนังสีได้ไม่ตกนรกเปิดอสุรกาย ส, สัตสัตเลขานะเป็นนิยตตาไปเกิดบนสวรรค์ น, ะนี่วาจาของพระ อ, องค์นะนะพราะเข์ไม่กล่าวว่าเหรียญเสนั ง, นงกัจฉามกระติดกระตุพ้พุทสมอนเขาได้ไดนะ แสดงกษามิไม่กล่าวนะกล่าวทศฐาคตนะนะใครทั้งทศฐาคตคนนั้นปุจบายพรมทั้งสีได้เนี้สําคัญมากที่สุดนะแล้วความจะดงกลัวมาถึงแล้วผลพองเสิยงกล่าวมาถึงแล้วเนะพิ่งเลิกทศถาคตด้วยความกลัวหายนี่มาองค์สมเด็จพระภูมิภาคทำไมกลัวตาย น้ำพระทายถึงอมรธรรมดาเท่าวถึงท่านผู้วิเศษนะและแล้วไปเกิดบนสวรรค์นะถึงเหรียญนนถึงกระท า, าคมน่พระองค์ไม่กล่าวว่าเหรียญสนังกสา ม, มิไ ม, ม่มีนั่นพุทธังสนังกสา ม, มิธรรมเสนังกษามิสังขังสนังกษามินั่นนี่แล้วก็นังเสิร์มโมตทัยได้แจกไปแล้วอืม นางเสมอไทยท่านจันบันทั้งกล่าวบุคคลที่เกิดมาในโลกนะเป็นหญิงเป็นชายนะอืท่านเหลเนี้นะไม่ใช่อื่นกลายอืรักษาศีลมาจากสำ น, นักพระพุทธเจ้าที่ผ่านมาแล้วองค์ใดองค์เดิงจึงได้เกิดเป็น ม, มนุษย์ได้มไม่งั้นเกิดหนะ้าทำลายพนะรหมนรกเปลิดอาศัยกายสัตว์ประชานะนะแน่นมื่นะอหะอกังมนุษย์เสส่อมนะ ความเลิศอันเนี้นะผู้หญิงเลิศในความเป็นหญิงผู้ชายเลิศในความเป็นชายเทอานะนั่นเลิศมาก ม, มนุษย์เนี่สําคัญมันครบทกสมุทรไทยครบนะมักมีลรสครบนะเนี่ย ม, มันคล้ายๆกับแม่ครัวแกงนะแม่แกงบป็นพอพริกปเกลืออเนจอร่อยมากที่สดนะนั่น พระเอพระพร้มไม่ส่มนุษย์ไม่ได้อาบายภูมิเจ้าศก็ส่มนุษย์ไม่ได้มนุษย์ดีสําคัญเลือกเอาเป็นว่าพระเจ้านะเอามาชาติมนุษย์นะเลือกเอาเป็นพระละเปชิชาติมนุษย์นะเลือกเอเป็นพระะอรหรันท์ท่านเราเนนนะข้ามมหลคุได้เอาชาติเอาชาติมนุษย์เท่านะไม่เอาอินทภพรมขาดไม่พอนะ ทางเอง็นทางพรมนั่นน่ะเครืหมายมีความสุขอย่างเดียวได้รับนะ่ะบุญกุศลนี่ทํมาบุญมาแต่มนุษย์โลกไปเกิดในเทวโลกนะเส้นกรรมเส้นกุศลแล้วเคลื่อนไปเกิดแห่งอื่นเพราะไม่เที่ยงเนี่ย นั่นล็กก็เหมือนกันนั่นมนุษย์นี่ยืนยันนะมากที่สดนะนั่นน่แหละอย่าเป็นเด็ ก, กว่าตัวนะอาภัพนะหญิงก็เลอะในความเป็นหญิงไม่ใช่อภัพชายก็เลอในความเป็นชายนั่นมันคล้ายๆก็ว่าผ่านว่าดีที่สดนะนน ผ้าเราดีที่สดนะมาจากเมืองกาสีนะในพระลตยปิดกผ้างามที่สดเมื่องามผ้าเช่นนั้นต้องเอาได้ที่งานเย็บได้จึงสวยนะเนะีเมื่อเราได้เป็นมนุษย์แล้วต้องอธรรมวินัยดัดแปลงกายวาจายใจยของเราเป็นอิริยนะบถนะเป็นบุตชรราคาโทสามโมหะทวมหัวใจยอยู่แล้วนั่นะปฏิบัติให้ถึงมรรคถึงผลนะนี่ ให้เปลี่ยนเปลี่ยนนะขมนนหนึ่งฝาดหนงเปรี้ยวหนึ่งเปลี่ยนให้เป็นของหวานได้นะ เปียโนนะบุทชอนะี่เป็นอริยะได้นะหัวใจนะนั่นอย่าประมาทนะนั่นวันคืนล่วงไปเสียปเปล่านะวันคลลืนนั้เป็นนงวยเป็นทองนะนั่นให้นึกถึงพุทธทอเวลาทำงานประการใดพอเญ็งจะทอหกบเป็นฝ้ายก็จริงทำขั้เหลือนก็จริงอย่าไปทิ้งพุทธทอมาผู้ชายจะประมาททำ ไล่ก็ดีทำนาก็ดีนะจุดสมก็ดีนะให้นาฬาบนะจะเปิ่มขึ้นคุ้นขน ข, นขันนะนั่นะมาเป็นข้าราชการนะกิจการงานยุ่งกุดยิงอยู่แนละ้วนะย้าไปทิ้ง พ, ทพทงดทอพดทอไม่ของดีนะของประเสริฐมากที่สดุดมากที่สุดนะหากว่าใครนะถึงพดทธพ่อนะนั่นะนะทําราชการก็เลื่อนยศแนะ ้าขายก็ลำเลวไปนะเหมือนะนด่างสขาบินิกาสิทธีนะทำราชการก็ไม่ยศนะเหมือนพริยาพิมิสารทาพรยาเธอนะนะแบบนั่นมือหน้าแบบพิมอยู่เช่นนั้นมีแบบพิมอยู่เช่นนั้นมีตัวอย่างอยู่เช่นนั้นยกมาเดี๋นัน้นนายพลไปดกมาสอมกันในทีมในทีเรนนะ ไม่แลหละคอ้ต่างอกต่างใจหมุนตัวเป็นเกลียวนะวันหนึ่งดีสีสมองเข้าที่พุนาพทโทกี่ครั้งนะีนะ่ยทำงานประการใดนะอย่าไปทิ้งพุทโธนะพุทโธมันคล้ายๆกับเกลือเกลือนะผสมอาหารไมทุกชนิดนะมีรส อ, อร่อยนะนะีน่ไมแหละหัวใจของเราเหน่เนื้อพอทุทโธในหน่อพอทุทโธให่เสียไปนะนะ่ ให้ชินในพุธทธะนะพดทธะพุธทพธะนะ ท, ที่ทาให้มากในพดทอะยังไม่พอทาําให้ชันนี้ฉํานา้นในพดทธนะพดทอเป็นของแขางมากที่สุดนะทิ้งพุธทธะไม่ไดนะ้การเป็นการตายของเราข้างนอกนะบางขราวถูกสูนปืนบุกหลงนะนนัตายทันทีนั้น ทุกโรคระบาดนะลดความตายนะนั่นและข้างบนสมุดจนะดินั่นคดีคดียากรณีที่จะตายในข้างนอกเป็นเช่นนั้นแม้นวางที่องค์สมเด็จพระพระุทธมีชีวิตอยู่นั้นพุกองค์ศาชาติทุกนะพยาที่ทุกนะชาทุกนะบุญนาทุกนะดิ นี่นะอืะเหตนั้นเราอย่าเหยียบย่ำชาติของเราที่เลิศนะให้ตกตามนะอย่าให้ตกนรลกเปิดอนสุรกายสัตว์ในชาตินะนั่นเป็นธรรมอะอันดีนะอดีตส่งมาในปัจจุบันนะปัจจุบันสง่งไปใน อ, อนาคตข้างหน้าโน่นทีเดียวนะนั่นนี่แหละ แค่นั้นพระยาพิมิสารทาพญาธานะว่าการผ่านพระนครในกรุงราชสานมานครสถานในขวงใหญ่มานามพระทายพระองค์ไม่อยู่ไม่ละเลยศีลฮานะมานามพระทายของพระองค์ไม่ละเลยคำมบทกุศลกันบทสิบนะมีประทับอยู่ดวงจิตเสมอนะนี่มาดุาริคาเซตเทม พ่อขาใหญ่ม่นาวจะขาแม่ขาใหญ่นะี่ร่ำรวยในสมัยนั้นทิ้งพทุทธอไม่ได้ น, ะนี่พทุทธอให้ร่ำรวยได้นะนี่นี่แหละฉันใดก็ได้ขอให้ตัง อ, อกตังใจให้มากอเมรีกาส่งมามตจุบานนะ่ะจงได้เป็นคนหญิงคนนายนะนั่นอเมาเป็นในภูมิพันธนะ์นะนั่น อดีตส่งมาราธารณบํารุงอดีตที่ส่งมาณทีนท่นี้อนาคตนะบําเพ็ญทานนะนาวจะข า, มาไม่สบัดวันหนึ่งเสียใจมากที่สดมาวันนี้เราไม่ได้กินข้าวเพราะยังไงเราไปเกิดบนสวนรรค์เถะนะเิ่มกีฬามากลืมบริโภคอาหารนะนัน่นลืม นมาัสาการได้แกศแกโชราโมนีนะนั่นอายุน้อยนะนี่ไม่ละให้สนใจให้มากเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องพระพุทธทอหนะพุทธทอพุทธทอเป็นของใหญ่มากมากเรื่อได้ชาณภาพมากบุคคลที่จะได้เป็นพระพุทธทอน้าเกดมาเกิดไปโลกนะต้องสร้างบารมีมาใหญ่ที่สุดจึงจะเป็นพระพุทธเจ้าได้นะ ยกตัวอย่างในพระไลปิโดนะสมัยเดินพระพุทธเจ้าเดินหนะเพราะอนอนตักษาธรรมะตามหลังพระองค์เป็นห่วงพรา อ, อนอ์มากถ้านอนเพียงสำหรับเพียงโสดาบันในข้างนั้นไม่ถึงอาเซคาบุคคลเป็นพระอาหารหนะันนะนี่พงถามานอนหวานเธอนะวันเดิมเนอนะภาวนาวันละกี่ครั้งเนะี่ย วันไหนเราก็ข้างพันข้างพยูกานี่ยองสมเด็จมาพยูกาก็ติดเตียนเธอนะเธอนะนั่นให้พญานาคโทหนะ้าให้พญา น, ะกนากรรมฐานหะน้าทุกลมหายใจนะนี่แล้วทีนี้เราจะได้ภาวนานะ้าทุกลมหายใจได้เปล่าทุกวันนี้นะนั่นเพราะการงามันมากการมัง อาชีพนะสงนะสมัยนี้นะนั่นการงานมากนะกัารณ์ทีนี้นะอืยังคุณหญิงนะถูกเชิญนะไปกินโต๊ะนะอเขาเลี่ยงกันเรื่องเหล่านะเชยอนะเจ้ากรมนะคุณหญิงสมควรนะเทเพลงนะไม่เดิมพ่ยศินหะแค่ขาดไปนั่นเลยให้สําคัญมากที่สุดนะน อาจจะมาถามคนกรุงเทพนะท่านรักษาศีลห้าได้หรือเปล่าบอกก็ไม่ได้สุลามันขาดการ ส, ส, ส, สมาคมบ้าน่ะสมาคมอนไรนะไม่ใช่สมาคมในพระพุทธศาสนา ส, ส, สมาคมดึงกันลง น, นโลกเลย น, ะ, นะดึงสุลานะมาผิดศีล น, นะโทษศีล น, นะเนี่ย นี่แหละการบำเพ็ญทานหนึ่งการรักษาศีลหนึ่งการอบรมทุทธูหนึ่งให้ชํานาญนั่นะการเป็นการตายของเรานะนั่นะหากว่าจิตของเราเป็นผุ้ดิชนนะติดอันใดมันต้องเกิดอันนั้นอว่าชุมาชิกาติดเลือนอ่าเป็นตุกก๊กแกใช่แล้วนั่นะขันธกรรมติดอุฟิตอ่าเป็นตุกก๊กแกแล้วรักษาอุฟิตอยู่นั่นะ เขาน่าติดนะอ้าวน่าด้วยไม่ได้ขาดได้ถ่ายนะเธอเป็นตูจแล้วนั่นคนก้องเทบนะอ้าวติดสวนท่งเรียนสวนเงาะนะนั่นคนพาคกลางติดสวนน่ะมาพร้าวนี่นัน่นติดสวนนะ่นะบอนะหนงสวนฝ่ายหนึ่งนะนั่นสวนข้าโพดหนึ่งนะนั่นอ้าวติดนะนั่นเปนดวงเกาะในต้นไม้นั่น หากว่าติดมทโทนะอ้าวอย่างพระเจ้าที่กล่าวนะติดตถาคตต้องไปสวรรค์ปิดบายพุทธสรีนะนั่นเนื้อนะสำคัญมากที่สุดเรื่องเน้เป็นเรื่องใหญ่นะนั่นไอ้ยอมันดาศัก์ไอ้หมื่อในท้องมันหาบขนไปไม่ได้นะขนไปได้แต่บนแต่หมาทีเราสะสมว่าในโลกนะนั่นสำคัญมากมันคล้ายกับ ว, ว่าเงาติดตัวนะั่น จะไม่เตะจะไม่ยืนอะไรบดอยู่ที่ไหนนั่นตัวในบทอยู่ที่ไห น, นะ เ, น, รไหนเราต้องติดตัวนะนะั่นสำคัญมากพโทโนะุทธทอน่าปลื้มใจปลื้มใจโอ้มานี้กอน้อมพุทธทอนะมาดงจิตนะนะั่นก็ภาวนาพทุพโทโธพุทโธให้ชินที่สุดนะชินที่สุดนะนะให้ถึงพุทธทอนะนะพระลาดไม่นะรักษาพระด่งนี้เป็นเรนนะเป็นเรนนะนั่นะ ภาพเป็นเรนนะ่ะหมายความอย่างไงนะนั่นระหว่างที่องค์สมเด็จพระพุทธภาจังมีชีวิตอยู่นั้นไ mm hmm. ม่พรามคนเดิมน่ะไปหาพระพุทธเจ้าฟังเทศพระองค์เรวมใสายเธอบวดมาความบวดของเธอเนะ่อพระคัมภีรสมนักหรืออก ใ, ใจมากที่โสุนะนเธอมาเคล็ดดูดังศาสนานี่ชีวิตน้อยสมนักคดมอายุไปสิปี ไม่เหมือนชีวิตพระผู้ได้เจ้าองค์ก่อนที่ได้ผ่านมาแล้วนะกูเชินโทรหก0มื่นนั่นโกนครใสเมือนะอายุนะกัดสปอสอง0มืกสมแด็ดนะสมนคโดมแปดสิปีนะนั่นเธอมาเห็นในตอนนี้นะเธอเดินทุองดนนะเดิอนปีหนึ่งไม่สำเร็จวาสนาหน่อยปีที่สองไม่สำเร็จปีที่สามนะไม่สำเร็จ ข้างสุดท้ายปีที่สามแนระเขาพาชดกเทียมหยาบถวายเธอเธอรับนะน่นเธอไปฝากพี่สามว่าในครั้งนั้นพี่สามมาคลียุมาพานหยาบมากมาฟักมาฟันนะ่นแม่แค่นามเช่ใ ม, มใหม่ทอมใหม่เป็นของประเน็ดไว้ให้น้องชายในสมัยนั้นน้องชายนะ่า ถึงเปริศีมาแต่เธอบวชมานะไม่ได้ขอไถยถอนจีวรไม่มีใครถวายเธอในครั้งนั้นเนี่ยสมนดนะ ค, คานะําคราน่ะเาอไม่มีใครนะ่ะจะถวายเธอเธอระลึกเลยว่าผ้าของเราฝากพี่สาวในครั้งนั้น เ, เราจะเอาผ้านามบัตจีวร น, นถ้าเพือ่อนรือนไปหาพี่สาวนะพี่พยายามให้ฉันนะเนี่ย พี่เอามาวางไว้ให้เธอเธอมาขีดูไม่ใช่ของฉันนะโอ้ฉันหยาบนะพี่น ะ, นะลงเรือนไหนนะเธอจะลงเรือนเกรียมลงเรือนไหนนะไม่ใช่ของเธอนะ คือสาวลองขึ้นว่าฉันรักเธอมากฉันรักเธอมากนะนั่นะเธอเป็นน้องชายของฉันนะเนั่นะเธอคนเดียวนะบวดนะเอาอยาทุกเราขึ้นจาก อ, อบยพรมน้ำสีนะนั่นะเธอมาฝากทีแรกจนะเป็นของยาพิมพ์มาแปลงใหม่เป็นของที่แปลนี่ที่เธอใช้นะพระองค์นั้นนี้อกติใจขอบหาคในวัดเทวทูตผลตัดยอมภายในเจ็ดวันเสร็จนะอ อ้าวมันงามเ่ยจิตของพระติดเยวรนเสีแล้วพับไว้บนหัวนอนนะนั่นมันองโชว์ตั้งหลายร้อยครั้งเช่ไหมนัอ้าวเชืวเวชไม่เที่ยงตายลงไปนะพอจิตติดเยวร น, นะเป็นเรนตัวเล็กๆนั่นเป็นเรนตัวเล็กๆนี่นั่นแะล้วทนี้ย่าโยงมาชกบัจิกาติดเรือนอาวเป็นตุกแก น, นะนั่น เรื่อน่าทัานทต้องสามัคต้องฟื้นนะอ่าวเป็นตุ๊กแกเฉยๆนั่นอ้าวชาวนาติดนาเราไม่ได้ขาดไปแค่อาเป็นตูเฉยๆแต่นั่นไม่เป็นอย่างนั้นอืมติดจีมพระติดจีวานเป็นเรนนะนั่นติดตพรเจาพุทโธนะติไปถึงถึงสวรรค์นะนั่นมันตั่นชิในกนคมนะ การมของเรานะแต่หัวใจในสําคัญขอเชิญลา น, น, นขอใญาติยอมให้ติดพุทโทธห้มากให้ฉลาดในพุทโทธห้มากการนอนการดอนทุกอย่างแนละ้วทํางานติการใดอย่าไปทิ้งพุทโทธพุทโทธแสงนะั้นอย่าทิ้งพุทโทธนะั่นพรดหอมน้ำข็้ากับเกลือเกลือนะผสมอาหารมีรสอร่อยนะนั่นะไม่เละให้ชนานาญให้มากน <c> ะ <oughs> ระวังเลยนะายานะบางไทายนะขับขันมากนะนนกหนังสือพิมพ์สมัครไหนสมัครไหนมีข่ากันไม่มีนะนั่นะพ่อมาไม่ไมีรังกาไม่มีเขามีศีลธรรมนะนั่นะนะี่สำคัญมากทีก่สุดนะนั่นะเราเป็นอุมาชิกาที่ดีอุบาศกที่ดีนะอุบาศิกานะอ้าเป็นราชดั่งของพระพุทธเจ้ายศใยา ย, ยพวกนี้นะ อุณมาศนะเป็นมงกลดาทคุณ ม, มาของพระเจ้านะนั่นทั้งสองว่าเพืในจิตสะอาดควรแก่สะวรรนิพพานนั่นจิตสะอาดนะสะอาดโดยการบำเพ็ญทานน่นสะอา ด, ด้วยรักษาศีลน่ น, นรักษาอาดดวาดโดยการภาวนาอยม่ในดวงจิตนะไม่ตกอบายพมทั้งี น, ะ น, น, นงงงะนั่นนี่แหละองค์สมเด็จพระพุทธพาสนสสนะ เสน่หอริยรัพสํมคัญมากรับโลเกน่ะพระองค์ไม่เสน่ห์นะนั่นซับโลเกน่ะนะมุขดาษกุมานสมัยพอสวรรคตไปแล้วเธอนะรับมรดกแทนนั่นมหขลายใหญ่โตนัานประการเดองพรามหัสานเดืองเศรษฐีมหาสานเดืองมาบุรมดุตายลงไปแล้วคนดุหมดรับแทนนั่น นี่องสมบัติพระพุทธพักตรตัดสินนะตัดสินนะนั่นทร <c oughs> ัพย์สมบัตินั้นบางทีเธอตายก่อนนั่นอย่างหนึ่ง <c oughs> เธอไม่ได้ครองไปนานนั่นอย่างปานหนึ่งมาเธอครองไปนานนะทรัพย์อะไรนะนไม่จะสิบห้วนิดจะระไผ่ดีภัยราจะไผ่ไม่วันใดก็วันหนึ่งนะน่นไม่เหมือนทรัพย์ของตาคตไป ทรัพยของลูกคาคนนี้มันคือบำเพ็ญทานลงไปแล้วนั่นเกิดมาดพบใจชาติได้ร่ำรวยร่ำรวยเนี่ยรักษา ส, สินดีแล้วลูกงามน่ารุบหลอมีผวมีเมียของงามพาออกพอใจลูกหลานเกิดมาก็งามไม่ช่างมากว้กไว้ก็งามเพราะสินแต่งนั่น แล้วก็พอเวลาฟุตโฟนีแล้วนั่นหัวใจสะอาดนะสะเทือนทั้งสวรรค์นี่รลยนะนั่นนี่แหละเกิดมานะอคลายตาอกตั้งใจสาเรียทรัพดิ์ในพระพุทธศาสนานยับย่อยจิตย่อยใจเถื่อนตามโลกราประโยชน์นะนั่นจะลืมตัวนะนั่นนี่แหละสําคัญมากที่สุดนะนี่แหละอื วิญญาณในนันเชิญลพนนะมะนิโชติละโสยานทายวิวัตรยัตุชาบะลังวินาชโตมาตาภ ว, วันตาลายโยวิาจาริจารุทาปะจายิโน วาตลอธรรมวัชรตีอายุวันน้สุขะบาราจากคลจะไม่ให้มาเนี่ยยังขัดคองอจลมาพูดจะากลงว่าโคตรทารบกขอให้อะไปได้อเ่อกมานี้ยเพราะอาจามาคนแก่กระจาใจม่ค น, น, นยิงไงพูดแดงไม่ได้ไง จะคงถูดพุนเรือนเพราะสตางค์ท่านตกต่ำศกไม้มพอสองม้อหม่2527ยนะสลาปีเก่า2 5 2 6นะนั่นรับซอกเป็นหมายไนดะ้ที่เน้นะคือหมายความให้อายุยืนเดินเกิดวนะันละอันงามเดนายุยืนในะที่เน้น องสมเดวพาพูมยภาคยังมีชีวิตอยูน่นะประธานทั่วประชาชนร้อยปีพร้อมมีอายุแปสิบปีเข้าในพานะนี่ในตอนนดืงวันละอันดีนะเคื่อนไหความมาเกิดบรรณะบรร ด, ด, ดูอันดีนะนะั่นมีวันละบรรดูอันดีนั่นนะมีพระโูมิพธะประสิตธิษษษษษสอนขึ้นมาว่าคนไม่มีโลกเป็นลาภอย่างยิ่งนั้นประการใด ในปรการขอให้มีความสุขพร้อม ท, ทั้งบททั้งศีลดั้งนอนยืนเดินนะยืนเดินนะนั่นยังไม่พอใจขอใมีกําลังกายนั่นอย่าอิดโรยนั่นขอให้มีกําลังวาจานะพูดจาปราศัยเก่งนละยเหมือนพยายามบริแรงพนาเกษตรนะมีปฏิภาณการโตตอบดีนั่นประการเดิมขอมีกําลังทางจิตนะกําลังทรัพย์นะเนะ่ มาท่านทำราจาชการขอเรื่อยนยศหนึ่งมาขาขายให้หลำไวห้หนึมาเป็นนักเรียนลลกหลานของท่านขอให้สบได้เ น, ะนะึนี่มาทานาขออ ย, อยาให้ไปสอบไนฝนแรงนะนะนะหนึนี้เนี่ยไอพรใส่ประการใ้แย้มออกมาจากน้าพระทัยของพุทธเจ้าได้กลองเป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่งนะนะ ระวังในองค์สมเด็จรพระพิมพ์ภาคเข้าได้พ่านแล้วเนี่ยอิติศวุที่ขั้นขั้งก็เข้าไดพผ่านเพราะชีวิตไม่เพียงนเนี่ยพรสประการในอาตมามาชายนะอาตมาเป็นสมมุติสงฆ์มาชายัยเนี่ยยังมีคนเกิดคนตายก็ น, ยนี่นั่นพรสีประการได้ไมลละออกจากโลกนะเป็นมรดกมาจากองค์สมเด็จรพระพิมพ์ภาคระยะนี่ส่วเทียนงูนะ ดูร้ายมากพระเจ้าศัตรูขาพอนะอแล้วก็เป็นเมืองที่ข้างภูฎกายเป็นเมืองหนึ่ง ท, ที่หนึ่งัะข้างภูฎกายมันครบทุกอย่างบงสวถสดีแนดนะรบมืองพระเจ้าเพชณาโกศล น, นั่งเบนเดกาเศรษฐีเกิดตรทินนนนางเสขขาเกิดตระทินนั แล้วไม่ครบนะไม่ครบกรุงราชคษัตริย์นีครบทั้งรัชนาศีอย่างกรุงราชสกรุงกรุงราชกรุงสวัสีนะครบสามอย่างไม่ครบเป็นเบืองที่สงขวรกรุงราชกษัึริย์แห่นานองสมเดจพระพุทธภาพกัดชโูแล้วพระพวกสเสด็นนะ กองไปยังกรุงราชคฤห์หาประกาศสาชนานะที่นั้นและภรยาพมเมศานาเธอนะเท้าภริยาเธอนะสมความปรารถนาสองอย่างขอให้ข้าในระหว่างทีท่านนะเป็นมงกุฎราชกุ ม, มาร น, นะนะปรารถนาสองชนิดขอให้ข้าไปเจ้าเป็นนกะศัตร์ในกรุงราชคฤห์นั้นประการหนึ่ง มาองสมร็จพระพระเมรภาคองหน่อยไนดะ้สำเร็จแล้วขอให้มาโปกด่าก่อนคนคนอื่นนะนีุ่รงราชคุหานเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองดีสัม